เลื tyard, rewind, ่อนเลือนลอยๆยเลอะเลอะเทอะเทอะไม่ใช่อธิฐา ras, อนอธิฐานคำนี้คือว่าตั้งใจมั่น Yuan. ตั้งใจให้มั่นคงในขณะที่เราจะนั่งภาวนาข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาวันนี้สามชั่วโมงเนี่ยตั้งใจมัน่นอธิษฐานน่นอธิษฐานจิตถ้าเราไม่อธิษฐานจิตใจของเราเนะี่ยนั่งไปเออละเหยลอยลมไปเรื่อย เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีสองสามนาทีพระท่านสูงก็เลยหากฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ถ้าพวกเรานั่งภาวนานตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ผมได้พูดเข้าเน่ก็ตั้งอธิษฐานจิตอธิษฐานอย่างนี้ต่อไปก็ตั้งจิตอธิษฐานอีกต่อไปหลายข้างต่อหลายหนมีแล้เรามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมีความตั้งใจมีความตั้งใจมั่น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 มีอะไรขาดโหลขาดเหรือขาดตกกระดูแลกันเวลาเจ็บไข้ได้ปว่วยก็เหมือนกันมองกันมเมตหมีเมตตามีจิตเมตตาต่อกันนี่แหละแต่เรื่องจิตตภาวนาอย่าให้ขาดตกปกพ่องแต่เรื่องหลักพระธรรมวินัยก็เหมือนกันที่ลกฟังพวกเราวังจบโปรงสักครู่นี้ก็นี่ก็คือศินละวินัยศินสองยยี่สิบดของพระที่สวดทุกกึก่งเดือน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 พระพุทเจ้าบัญญัติที่ไหนองค์ไหนเป็นผู้กระทาผิดมีกระทาผิดมีกี่มาตรามีกี่เรื่องมีกี่เรามีกี่องค์ในสิกขาบทนี้เราจะรู้ต้นตอของพระพิไหนที่เป็นมาชัดเจนเลยในพระไตรปิฎกพวันนั้นแต่เราพวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวชสามเดือนผมเองก็ไม่อยากจะให้ค้นคว้าขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าฟัง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 มุ่งมั่นไม่เคยตั้งใจในการประพุทธปฏิบัติไม่เคยตั้งใจภาวนาผมเองก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้พวกเราถึงจะสามเดือนก็เป็นสามเดือนที่มีคุณค่าเป็นสามเดือนที่มีประโยชน์เป็นสามเดือนที่จำไม่ลืมในชีวิตของเราเราเกิดมาสี่ห้าสิปีหรือ3 0 4 0สปีเนี่ยสามเดือนปีนี้มีประโยชน์สาหรับเรามาก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 ข้าพเจ้าจะนั่งสามชั่วโมงตั้งจิตอธิษฐานสามชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไปทางไหนสมชั่วโมงเน่ยเพราะข้าพเจ้าปล่อยจิตปล่อยใจมานานต่อนานไม่รู้เท่าไหร่สามชั่วโมงน่ย บ, บังคับไม่ให้จิตใจสงออกไปข้างนอกให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเท่านั้นไงอยากจะให้พวกเราทดลองดูซิ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 พอจากนั้นก็หลกโล ก, โ ล, กโลเลไปเรื่อยปลอประมาทครูบาอาจารย์ประมาทปฏิวัติศาสนาประมาทพระธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าแล้วก็ประมาทผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถางหวังงมงายบ้างอพอตัวเองเข้ามาแล้วไม่ได้เลือกงมงายเข้ามาแบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักไม่มีหลักยึดไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ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 พอเขามาบวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจตั้งใจแล้วก็จะได้เห็นของจริงนะความสงบผู้มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจได้อย่างไรนะพระอาจารขอฝากไว้กับพวกพระลูกพระหลานทุกองนะที่พูดทางนี้ทางนั้นสรุปแล้วก็คือให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาให้มีความมุ่งมั่นเพราะเราบวชเข้ามาสองเดือนเต็มแล้ววันนี้นะยังอีกเดือนหนึ่งนะถ้าเดือนสุดท้ายก็ว่าตีละครังแป้ง